ทีนี้ถ้าโพธาภะนั้นเป็นโพธาภะที่ดีก็เป็นกุศลวิบากถ้าโพธาภะไม่ดีอกุศลวิบากซึ่งโพธาภะก็มีสมุทฐานสประการนะมันมีรายละเอียดในชั้นโพธาภะนี่ค่อนข้างมากคำเนี่ยซ้ํากันคําว่ากายคําว่าโพธาภะเราได้ยินได้ฟังเนี่ยบ่อยมากเลยแต่เราแยกบ่อยไม่ว่าเออโพธาภะ น, นี้มีอุตุเป็นสมุทฐานแล้วโพธาภะอันนี้มีกรรมเป็นสมุทฐาน โพธภะอันนี้มีอุตุเป็นสมุทฐานโาพธพภะอันนี้มีอาหารเป็นสมุทฐานเราแยกไหมถ้าไม่ค่อยแยกยาตะปริญญาก็โอย <c oughs> ก็ไม่เป็นไรก็ฟังได้ฟังก็ได้บุญมาตั้งเยอะแล้วได้จดจาไว้วันนี้ฟังง่ายขึ้นกับเก่าเยอะนะนนตรงนี้ท่านงค่อยๆว่าไปไหน่อยเอาว่าโพธพภะที่มีกรรมเป็นสมุทฐานนะหมายความว่าหมายความว่าอะไรมากระทบอะไรครับ ชัดๆเลยครับเช่นเคยปวดหัวไหมครับนั่นแหละการที่ปวดหัวก็เป็นโผล่ธรรมชาตที่มีกรรมเป็นสมุธฐานหรือว่าเราสัมผัสตัวเราเองหรือสัมผัสตัวเราเองนะนะหรือก็การไม่เจ็บป่วยเลยนะพิจารณาไม่เจ็บป่วยในขณะนั้นเป็นเป็นสุขนะถ้าเราพิจารณาอวัยวะแต่ละส่วนเอ้ยไม่ไ ม, ไม่ไม่เจ็บเลยไม่เกิดทุกขะกายญวิ ญ, ญญาณเลยอขณะนั้นเป็น กุศลหรวบากนะโพธิภะบางอย่างเป็นเป็นผลของกุศลแล้วก็ในตัวเองเนี่ยนะถ้าหากว่าเราจับตัวเองเนี่ยหรือมือกระทบตัวเองวางท่าอย่างเงี้ยเนี่ยเราก็รู้ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมีกรรมเป็นสมุธฐานต่อไปหน่อยครับท่านอย่ารีบแล้วอุตุแล้วครับอุตุก็เนี่ยไงท่านลมเปล่าอย่างที่เราอยู่กันอย่างเงี้ยนะนันก็ว่าไอร้อนไอเย็นมากระทบภ า, ายนอกด้วยหรือว่าอุตุเป็นสมุธฐานจากภายในด้วยเพราะว่าอุตุเนี่ยมาจาก กรร ม, มปัจจะอุตุหนึ่งจิตตปัจจะอุตุหนึ่งอาหารปัจจะอุตุหนึ่งอุตุปัจจะอุตุหนึ่งโอ้หลายอุตุนั่นแหละมันต้องดูว่าเราถ้าสัมผัสตัวเองก็กรรมของตัวเองนั่นแหละแต่ถ้าคนอื่นเขาจับก็กรรมของคนอื่นไอ้โพธาภาะนะแต่ว่าไอ้กายวิญญาณนี่เป็นของของเรานั่นแหละสมมติถ้าเรามาจับมือแขนผู้การังชัยปั๊บเนี่ย ตัวจับสัมผัสที่มือนะตัวมือของธรรมาเนี่ยมาจากกรรมของธรรมาใช่ไหมแต่กายวิญญาณเนี่ยเป็นกรรมของโยมพุกการทรงชายแต่นี้ของธรรมาก็จับโุกการทรงชายปุ๊บธรรมาก็เกิดกายวิญญาณรู้เหมือนกันกายวิญญาณอันนี้ก็มาจากกรรมของธรรมาเองในที่เดียวกันเนี่ยนะกรรมมันประจวกกันหลายอย่างเลยนะมันพ้องกันส่วนผมก็เป็นกรรมเป็นสมุทฐานใช่ได้ที่มือผมเนี่ยใช่ได้ ท่านมาจับผมเนี่ยใช่ไหมมือผมเนี่ยมันเกิดจากกรรมด้วยอุตุก็มีจิตก็มีอาหารก็มีจนพอนาอาศัยกายกับโพธาภะจึงเกิดกายญาวิญญาณถ้าโพธาภะอันนั้นไม่ดีก็เป็นอกุศลวิบากถ้าโพธาภะอันนั้นดีก็เป็นกุศลวิบากถ้าเรามาเนี่ยพูดหนึ่งคำนะอ่าปากหนึ่งครั้งเนี่ยอกุศลวิบากเกิดหนึ่งทีเพราะอะไรเพราะว่าฟันมันงอกอาครั้งหนึ่งโพตภะทิ้งทุกขกายญวิญญาณ นี่เป็นผลของอกุศลแต่ทีนี้ฟัมที่งอกขึ้นเน่ยฟันนี้ก็สมุทรฐานสี่ อ, อย่างทั้งกรรมด้วยทั้งจิตด้ว ย, ท, รรวยทั้งอุตูด้วยทั้งอาหารด้วยทีนี้นี่หมวดที่ที่สามอ่ะนะแล้วก็ต่อไปอีกอาศัยมโนกับธรรมรมมโนนี้เป็นชื่อของอะไรเป็นชื่อของผวังผวังขจิตนะสมมุติว่าจิตก่อนที่จะขึ้นสู่วิถีแต่ละขณะ จากเห็นไปได้ยินก็ขึ้นผวังก่อนนึกคิดแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องทางมโนโทวารเนี่ยแต่ละวิถีจะขึ้นด้วยผวังก่อนผวังก่อนถ้ามีความรู้เรื่องภวังอันนี้ดีจะเข้าใจปฏิสนธิจิตดีด้วยและจะเข้าใจอะไรอีกอย่างหนึ่งอะไรเนะียจุติจิตนักษาแสดงว่าพอจเจริญมรณานุสติได้เมื่อกาฬ น, นะจิตขนาดนี้กับจุติจิตข้างหน้าไม่ต่างกันนะเพราะมโนกับธรรมรมจึงเกิดมโนวิญ ญ, ญาณ มนวิญ ญ, ญาณไม่แก่พวกพวกอะไรกุศลและอกุศลถ้าของพวกเรานะกุศลกับอกุศลกิริยามีอยู่เหมือนกันเช่นสันติรณาจิตกับชวนะเอ่อ ว, วทฒพนะจิตหรือเรียกว่ามนวทวาราวัฒนจิตพวกนี้เรียกว่ามนวิ ญ, ญญาณจึงเกิดขึ้นก็ทำให้อาศัยบัญญัติเรื่องราวอ่ะอาศัยจิตอาศัยธรรมรมณ์คือพวกเจตสิกต่าง ก็ทำให้เกิดความนึกคิดต่างๆไอ้ความนึกคิดต่างๆนี้เกิดจากภวังถ้าภวังอันนั้นเป็นคนที่สะสมโทสะมากรรมที่ให้ผลนาเกิดชนิดโทสะนะเป็นบริวารให้ผลมาชาวนะก็กระเดียดไปทางภวังกระเดียดไปโทสะด้วยนะถ้าภวังเป็นอุเบกขาชาวนะเขาส่วนใหญ่ก็อุเบกขาตามภวังไปด้วยถ้าชาวนะเป็นสมณัต ชาวนะส่วนใหญ่ก็จะสมนัตตามผวังด้วยเหมือนกันเพราะนั้นผวังนั้นถือว่าเป็นอุปเป็นปัจจัยที่สําคัญมากต่อชาวนาจิตจะฉลาดจะโง่จะทึ่มจะอะไรก็อยู่ที่ผวังด้วยนะเมื่อกี้โยมบุการกล่าวถึงวนะ่าบางคนเนี่ยทวิเหตุบางคนติเหตไอ้ทนะวิเหตุติเหตเนี่ยมีความสําคัญต่อกันมากเลยนะมีความสําคัญต่อความนึกคิดเหล่านี้มากถ้าคนติเหตุเนี่ยมีปัญญาประกอบก็เข้าใจอะไรง่ายถ้าคนทวิเหตุก็เข้าใจอะไรยาก แต่ถ้าคนทวิเหตุถ้าสะสมบ่อยๆก็ได้ดีเหมือนกันหรือว่าแม้แต่ผวังเนี่ยบางคนเนี่ยจากวิถีหนึ่งไปสู่วิถีหนึ่งผวังมันเข้ามาก็กหลับนานหน่อยก็รับรู้เรื่องยากหน่อยนั้นผวังอันนั้นก็มาจากการสะสมที่แตกต่างกันมาจากกรรมที่ต่างกันกรรมที่ทําให้เกิดเนี่ยก็แตกต่างกันนะเช่นบางคนเนี่ยปฏิสนธิด้วยกรรมที่เป็นมาจากฐานะกุศลใช่ไหมบางคนเนี่ยปฏิสนธิมาจากศีลกุศลบางคนก็มาจาก ภาวนากุศลบางคนเนี่ยมาจากทานกุศลที่มีสีเป็นอารมณ์บางคนก็มาจากทานนกุศลที่มีเสียงเป็นอารมณ์แตกต่างกันแม้แต่ศีลกุศลก็แตกต่างกันบางคนก็ปฏิสนธิมาจากศีลที่เป็นศีห้าข้อปานาให้ผลนําเกิดบางคนนี่กจาข้ออธินาทานให้ผลนําเกิดบางคนเนี่ยมาจากศีที่เป็นพระบางคนมาจากศีลที่เป็นเนนให้ผลมานําเกิดเนี่ยก็ยังวิจิตแตกต่างกันภาวนาก็เหมือนกันบางคนเนี่ยเกิดจากการเจริญเมตตา เป็นอารมณ์ทําให้เกิดบางคนก็จากการุณาบางคนก็จากการฟังทำให้ผลนําเกิดอย่างนี้เพราะนั้นสภาพจิตที่เป็นมหากรุชนี่มันวิจิตพิสดารไอ้กุศลเหล่านี้ให้ผลนําเกิดก็มาเป็นภวังอย่างนี้ทีนี้ผวังเมื่อผวังที่มาจากกรรมที่แตกต่างกันทําให้ศัพท์ทั้งหลายมีอัธยาศัยที่แตกต่างกันมีจริตต่างกันอธิมุตตต่างกันมีความเลวต่างกันปณิสต่างกันบางคนเนี่ยเห็นภัยในโลกนี้มาก บางคนเห็นภายในปารโลกมากบางคนไม่เห็นภายสักโลกเลยอะไรเงี้ยก็แล้วแต่การสะสมม า, าส่วนนี้ก็อยู่ที่อุปนิสัยปัจจัยมาแสดงว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันมันเริ่มตั้งแต่ไอห้าชวนะสุดท้ายก่อนตายใช่ไหมครับเออนั้นเพียงแต่ว่าอารมณ์ใกล้ตายแต่นะว่าก็คือมีส่วนเกี่ยวข้องกันเพราะว่าก็ช่วงนั้นนะ่ะมีอารมณ์อะไรที่มันกะเขียท่านเมื่อคท่านกล่าวว่า มาจากศีนบ้างมาจากทานทานบางคนก็นทานปราเน็ดบางคนก็ไม่ปลาณน็บางคนก็มาจากภาวนาเนี่ยไอ้จริงเหล่านั้นเนี่ยมาทําให้5ชวนาสุดท้ายเนี่ยมาเป็นอารมณ์ทําให้ให้ลวงทึกถึงตําเหล่านั้นนเป็นตัวะฉะนั้นเมื่อ 5, 5้หสุดท้ายเนี่ยของมรณะสนวิถีเนี่ยนะครับก็มีผลมาสู่ปฏิสนธิจิตซึ่งมีอารมณ์เดียวกันใช่ไหมครับนี่หมายถึงภวังใช่ไหมครับนี่แสดงว่าภวังก็มาจากคุณภาพอันนี้เออนี่ยส่วนอารมณ์ ไม่ใช่ส่วนที่เป็นกรรมส่วนที่เป็นกรรมเนี่ยต่างหากใช่ใ่เชิญพาเพราะฉะนั้นส่วนที่เป็นอารมณ์เนี่ยถามว่าอารมณ์ก่อนตายเป็นยังไงก็เหมือนกับตอนนี้แหละที่เป็นพวังตอนนี้กับอารมณ์ใกล้ตายไม่ต่างกันจะได้ว่าอารมณ์อันนั้นเนี่ยทำให้คุณสมบัติของพวังในชาตินี้เนี่ยเป็นอย่างนั้นเชิญพานอ่าแล้วแต่อารมณ์ทีนี้ส่วนที่กรรมให้ผลนําเกิดเนี่ยก็ก็แล้วแต่การสะสมบางคนเนี่ยสมมุตินะของธรรมาเอางี้นะครับ ทำเวรทำกรรมทำบุญทำบาปมาเอาบุญมากหน่อยแล้วกันนะเวรก็ไม่ใชยน้อยเสร็จแล้วใกล้จะตายเกิดใกล้จะตายเนี่ยเคลิ้มไปนึกถึงทําไว้เมื่อแสนโกรธกลับที่แล้วอ่ะให้ผลนําเกิดชาติหน้าเฉยเลยอันนี้ก็ได้มันเป็นหน่วงกรรมมรรรมที่ที่ในแสนโกรธที่แล้วมาให้ผลปฏิสนธิต่อไปอันอย่างนี้ก็มีอ่าคือช่วงใกล้ตายมันนึกเองอ่ะ ถามว่าทำไมมันนึกเพราะกรรมมันนั้นมันมีกําลังแรงมากมันรอมานานแล้วมันให้ผลสักทีหนึ่งอ่ะเลยลวงมาเลยเจตนาที่ทำในอดีตมันมีผลมากอยากคิดว่าเจตนาเหล่านี้ไม่มีผลน ะ, สะแสดงว่าวิถีจิตชาวณวิถีเนี่ยก่อนมรณาสัตวิถีใกล้ๆเหมือนกันเถอะนะฮะ เ, เป็นประโยชค่คที่สาคัญมากใช่ไหมครับสาคัญ เพราะว่าเขาจึงให้ให้คิดถึงเรื่องอใกล้ตายเนี่ยหาที่ดีๆคิดไหมแล้วพุทธพจน์ก็กล่าวถึงว่าถ้าจิตเศร้าหมองใกล้ตายเนี่ยทุกขคติก็หวังได้เพราะไอ้จิตเศร้าหมองใกล้จะตายมันไปหน่วงอาอะไรมานะก็ไม่รู้ถามว่าถ้าเรายังขนาดนี้เราเป็นยังเป็นผู้ที่ควบคุมสภาพจิตของเราไม่ได้ให้เป็นไปในกระอยู่กระร่องกระลอยไม่ได้คติที่ไปเราไม่แน่นอนทักอย่างถ้าเราไม่ควบคุมความคิดได้นะ สมมติถ้ามันไปคิดไอเรื่องที่ไม่ดีใกล้จะตายอ่ะพนางมาริกาเนี่ยโอ้โหทำดีมาเกือบทั้งชาติเลยนะไปหลอกผัวอยู่ครั้งเดียวแค่นั้นเองไปนึกถึงอันนั้นตกนรกตั้งเจ็ดวันอ่ะนั่นนะนะนะฟังฟั ง, ฟงดูมันคล้ายๆว่าคล้ายๆว่าเราจะทำได้นะแต่จริงๆก็ขึ้นอยู่กับเหตปัจจัยใช่ไหมการอบรมไงพุทธระพุทธเจ้ส า, ส, า, ส, าสอนเรื่องภาวนาภาวนาก็เรื่องการอบรมการทำให้มีให้เป็นอั้นคนที่ฝึกอบรมในเน่เขามาวิตกได้ มันก็ไปได้ฝึกอบรมในอัพยาปาทวิตกหรืออบรมในสัมมาทิฐิมากๆก็เสดงว่าเราต้องมันฝึกมันฝึกให้คิดดีๆให้คิดเปกุศล บ, บ่อยๆใช่ไหมครับเจนทาเพราะมนุษย์เนี่ยประเสริฐเพราะการฝึกเพราะถ้าหากว่ามนุษย์ที่ไม่ได้รับการฝึกนะถ้าโลภะจิตมันก็ไปต่างอะไรกับสัตว์ประเภทอื่นไม่ไม่ต่างกันเลยเพราะว่าการฝึกนั่นแหละทําให้มนุษย์เนี่ยเป็นผู้ประเสริฐพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐเพราะพระ อ, องค์ ฝึกดีแล้วนะถ้าเราไม่ฝึกให้ชํานาญเนี่ยฮะตอนขับขันหยิบถวยไม่ทันนะครับเไม่รู้ไปหยิบถวยอะไรมาเลยยุ่งเลยนะครับนั่นแหละเพราะว่าในตรงนั้นเนี่ยนะกรรมที่ให้ผลนําเกิดนะส่วนหนึ่งเป็นขรุกรรมถ้าใครขรุกรรมมาไอ้กรรมมันั้นแน่นอนเลยแต่ถ้าพวกเราไม่มีครุกรรมก็ตัดไปก่อนเอาก็เหลืออาจินนกรรมกับอาสันนกรรมทีนี้อาสันนกรรมใกล้ตายเนี่ตยตายที่ไหน ก็ต้องไปศึกษาอีกครั้งตายที่ไหนถ้าตายโรงพยาบาลไปทำอะไรอยู่หรือเปล่าทีนี้ทาแม่เด็กเกี่ยวอะไรเลยกำลังอยู่ในห้อง i อ u พอดีเลยเสียบสายยางระยงระย ง, ระยงกรรมอย่างอื่นก็ไม่ได้ทำเลยที่เหลือก็เหลือแต่พหุลกรรมหรือปหุลกรรมหรืออาจินกรรมรวบโดยปกตินิสยัยแล้วเราทำอะไรมากที่สุดอันนั้นแหละจะให้ผลวิถีชีวิตของเราเนี่ยไปเสพคุณในเรื่องไหนมากตัวกรรมตัวนั้นแหละจะให้ผลนาเกิด นี้เราก็สามารถที่จะสังเกตดูวิถีชีวิตเราเนี่ยสะสมอะไรามากจิตของเราก็จะเป็นไปตามความคิดอ่ะก็อยู่อย่างงี้นะถ้าคนอยู่ที่บ้านแต่คิดเออเดี๋ยวเราจะฟังธรรมะไปฟังธรรมะคิดสักหลายหครั้งหน่อยเดี๋ยวก็มาหละอยู่นี่เหมือนกันชักเบื่อเล ย, เยซ้ำซ้ำซักๆวันหนึ่งอสองครั้งสามครั้งวันหลังไม่มาอีกเลยมาบ้างไม่มาบ้างไอย่างงี้ก็มีนะเพราะมันของเก่าทั้งนั้นเลยเนี่ยมันแล้วแต่คิดเอานะถ้าคิดไประยะหนึ่งเดี๋ยวก็ไปตามที่เราคิด ถ้าเราคิดให้เห็นเป็นเรื่องกรรมนะคิดบ่อยๆๆเดี๋ยวมันก็เห็นเป็นเรื่องกรรมเองเคยดูภาพสามมิติไอภาพติดฝาผนังไหมถ้าดูเบอเบอรไปเอ อ, เ, ออเออมันก็เป็นสามิติกับเขาเหมือนกันนั่นแหละมันอยู่ที่การน้อมการฝึกนะจิตของคนนี่จะฝึกให้มันไปดีแบบมหาพรหมเลยก็ได้ก็คือฝึกให้มันเป็นไปเรื่องกับเรื่องชานฝึกในเรื่องเมตาามตาศึกษาเมตตาก็คิดไปตามเรื่องเมตตาให้ได้หรือถ้าฝึกในเรื่องกรรมฝึกในเรื่องสัมมาสนะญาณฝึกในเรื่องไตรีรณะไข่ควรเรื่องอนิจจังมากๆ เรื่องวิบากเรื่องกรรมมาชุบ่อยๆมันก็ไอ้มัน จ, จะโน้มไปได้ดีเหมือนกันมันแล้วแต่การอบรมมนุษย์ประเสริฐได้เพราะการฝึกนั้นมนุษย์นั้นถือว่าพื้นฐานที่ทําให้ฝึกมาจากปฏิสนธิจิตที่ดีมาจากภวังขจิตที่ดีเขาจึงเรียกว่ามนุษย์นั้นเป็นสาสตร์ที่ประเสริฐหรืออย่างหนึ่งมนุษย์นั้นปฏิสนธิด้วยมหาวิบากซึ่งเป็นผลของมหากุศลทีนี้มันแล้วแต่การโน้มของเราไปเราจะโน้มจิตแหงเราไปไหนก็ได้ โน้มไปให้ขึ้นไปพรมก็ได้โน้มไปนิพานก็ได้หรือจะไม่ไปไหนเลยจะโน้มเฝ้าบ้านก็ได้คิดถึงบ้านบ่นบอยๆเดี๋ยวก็อยู่บ้านแล้วกลับบ้านดีกว่าเพราะฉะนั้นไวทองอย่างผมนะผมพูดถึงไวยทองอย่างผมนะเมื่ออย่างนี้แล้วนี่นะต้องเตรียมตัวให้ดีนะคือทำกุศลกรรมทุกชนิดที่ขวางนะทำกุศลทุกชนิดที่ขวางนะเจอตู้เขาบริจาคค น, นยากคนจนสาหรับคนพวกเป็น โลกอะไรเาก็หยอดไปมีตางก็ต้องหยอดอย่าเดินผ่านนะครับทานไล้อยู่ก็มีสัตว์ไปก็เพราะนั้นต้องทำทุก<ช>อย่าง<ช>ที่ขวางนะไม่เช่นนั้นนะถูกหลงคว้าไม่ทันนะจะพ่ออย่าลืมนะเรามาตัวคนเดียวแล้วก็ไปคนเดียวด้วยต่อไปข้อหมวดที่สามว่าไปแล้วนะมโนก็คือผวังสาวไปลึกหน่อยเรื่องแต่กรรมชาติที่แล้วมา ก็คือเพื่อให้รู้ว่าชีวิตขณะนี้ส่วนหนึ่งก็อาศัยตามที่แล้วกลับธรรมรมเรื่องราวบัญญัติสมัยใหม่ที่เราคิดนึกขึ้นมาในโลกนี้มาพวังอันนี้เข้ากับเรื่องใหม่เข้าทำให้เกิดมโนวิญญาณแนวความคิดขึ้นพวกแนวความรู้สึกนึกคิดทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยอาศัยปัจจัยเหล่านี้เกิดขึ้นก็ทำให้เกิดความคิดนั้นทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าพึงทราบ หมวดวิญญาณหกนั่นเราอาศัยวิญญาณนี้กล่าวแล้วนี้ธรรมะหมวดหกหมวดที่สามตรงนี้ก็หมายถึงโลกีจิตทั้งหมดนะข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าเพึงทราบหมวดภาษสหกนั่นเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วคือบุคคลอาศัยจักสูและรูปเกิดจักสูวิญญาณความประจวบของธรรมะทั้งสามเป็นภษัษาเนี่ยนะภาษานี้จะมีแต่ภาษานี้จะมีทีลคำธีลคำนะ มันไม่ได้ผัสสะตลอดะถ้าทางหูนะจะถ้ามีเสียงหนึ่งคำหนึ่งผัสสะเสียงสองคำสองผัสสะเสียงสามคำสามผัสสะเป็นปแต่ละผัสสะแต่ละผัสสะยังไงก็ประชุมกันสามอย่างทำไมมันห่างเลยนะครับไม่ใช่ทุกขนาะจิตหรือครับก็เอาเฉพาะทางหูไงหมายว่าขาญญญาณะวิ ญ, ญญาณเดียวเฉพาะวิญญาณเดียวเรับ์บพอนแต่จริงผัสสะเกิดร่วมกับจิตทุกดวงแต่ว่าเราจะรู้ผัสสะก็ต้องรู้อารมณ์ของผัสสะ เพราฉั้นภาษาที่มามีรูปารมณ์ก็ถือว่าหนึ่งชนิดภาษาชนิดหนึ่งภาษาที่มีศรัทธารมณ์ก็ภาษาชนิดหนึ่งภาษาที่มีกลิ่นก็ภาษาชนิดหนึ่งภาษาที่มีเวทนาก็ภาษะชนิดหนึ่งอ่าอาศัยโสตะและเสียงเกิดโสตวิญญาณความประจวบของธรรมะทั้งสามเป็นภาษานะเสียงแต่ละคํานี่ก็หนึ่งภษาโอ้ถ้ารอบรู้พึงทราบนะพึงทราบถ้าคนที่สังเกตเนี่ยนะ หูได้ยินเสียงปั๊บแต่ละคำแต่ละคำเหล่านี้สังเกตอย่างโยมผู้การเนี่ยรู้สึกจะตารบเรื่องเสียงบ่อยแสดงว่าภาษะทางหูเนี่ยสังเกตบ่อยอาศัยคานะกับกลิ่นเกิดคานะวิญญาณความประจวบของธรรมะทั้งสมเป็นภสษะช่วงนี้หายใจหากลิ่นไดนะ้ไหหาเจอัหมไม่เจอก็ไม่เป็นไรเอากาเอาลิ้นก็นแล้วกันอาศัยชิวหาและรถเกิดชิวหาวิญญาณ ความประจบของธรรมะทั้งสามเป็นภาษะเป็นภาษาและภูการเป็นกุศลวิบากเนาะภาษานี้เป็นกุศลวิบากเป็นผลของกุศลกรรมแต่รถนั้นเป็นอุตุสมุทฐานใช่ไหมลิ้นเป็นกรร ม, มะสมุทฐานพดัะนั้นอาศัยลิ้นกับรถชิวหาวิญ ญ, ญาณเกิดขึ้นสามอย่างนั้นแหละเป็นภาษะเรียบร้อยไปแล้วกลืนเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วอาศัยกายและโพธะเกิดกายวิญ ญ, ญาณความประจวบของธรรมะทั้งสามเป็น ผัสสะใครไม่มีผัสสะทางกายบ้างยกมือขึ้นไม่มีนะโอ้แสดงว่าธรรมะไม่ได้อยู่ไกลตัวเลยนะเพราะฉะนั้นผัสสะส่วนไหนบ้างอ่ะส่วนผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเนี่ยมีหมดเลยนะแต่ละคนเนี่ยผัสสะไม่เหมือนกันทางกายเนี่ยอาศัยมนุกับธรรมรมเกิดมโนวิญญาณความประจวบของธรรมะทั้งสามเป็นผัสสะ ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าเพิ่งทราบหมวดสัมผัสหกนั่นเราอาศัยภาษะนี้กล่าวแล้วนี้ธรรมะหมวดหกหมวดที่สี่นั้นภาษาเนี่ยนะหนึ่งความคิดคิดหนึ่งเรื่องเอาสรุปสรุปธรรมนาวะหนึ่งภาษาก็แล้วกันคิดหนึ่งอารมณ์ก็หนึ่งภาษาคิดถึงลูกหนึ่งภาษาคิดถึงหลานหนึ่งภาษาคิดถึงบ้านก็หนึ่งภาษาเอาอารมณ์มาเป็นตัวเปรียบภาษาเพราะภาษามันสืบเนื่องกันไปใช่ไหม เราเอาอารมณ์เพราะจิตเนี่ยจะคิดได้ทีละทีละเรื่องแม้แต่เรื่องเดียวเนี่ยนะไม่ได้ใช่วิธีเดียวด้ว ย, ห ล, ยหลายสิบวิธีนะในการตรึกหนึ่งเรื่องเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปเอาแบบขณะโดยขณะแต่เอาแบบลักษณะของภัรษะของแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องศึกษาแบบห ย, ยาบๆไปค่อยๆสังเกตถึงการนึกคิดถึงแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องฉะนั้นพวกภรรษะทางมโนโ ส, ส่วนใหญ่ก็คือคนที่นอนไม่หลับหรือคนที่ อยู่คนเดียวหรือคนกําลังขับรถคนเดียวไม่ได้เปิดฟังอะไรนะขับรถไปก็ผัด ส, สะไปเรื่อยคิดเรื่องโน่นเรื่องนี้ผสมปนเปกันไม่รู้กี่สิบเรื่องมาชนกันบางคนคิดไปคิดมากลุ่มเลยนั่นแหละทั้งๆที่เรื่องมันไม่มีออกตรงนั้นอะ่ะแต่คิดจนไม่สบายใจจนได้เหมือนกันเอาต่อไปข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าพึงทราบหมวดเวทนาหกนั่นเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วคือบุคคลอาศัยจกักรสูและโรคและรูปเกิดจากสุวิญ ญ, ญาณ ความประจวบของธรรมะทั้งสามเป็นพัสสะเพราะพัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาอั้นเวทนาก็มาจากพัสสะเพราะคนที่จะรู้เรื่องเวทนานี้ต้องเข้าใจเรื่องหูเรื่องตาเรื่องสีเรื่อ ง, อ ง, องจกักขูวิญญาณเรื่องพัสสะจึงจะรู้เรื่องเวทนาดีเพราะว่าพัสสะนี้เกิดจากการประชุมสามอย่างไอ้พัสสะอันนั้นแหละเป็นปัจจัยจึงมีเวทนา และเวทนาตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะเวทนาแค่ในจักขูวิญญาณนะเวทนาในสัมปติชนะด้วยเวทนาในสันติรณะด้วยเพราะส่วนใหญ่เห็นภาพธรรมดาเวทนาเป็นอุเบกขาตั้งแต่จักขูวิญญาณสัมปติชนะสันติรณะโวธพัพภณะหรือบางทีไปเห็นธรรมดาอีกชวนะก็ยังเป็นอุเบกขานะเวทนาอุเบกขาเรื่อยมาจนถึงมโนจนถึงชวนะด้วยและแตาธรรมนะ ก็เป็นตะทาอุเบขาอีกถ้าปฏิสนธิมาอุเบขาก็อุเบขาทั้งทั้งสายเลยอ่ะอเบขาอย่างเดียวแต่เบขาเหล่านั้นมาจากภาษาทางตาก่อนอันนี้นี่ไล่ทาวารตาเรื่องภาษานี่ไม่ใช่ของง่ายเลยนะฮะที่จริงเนี่ยตัวเจตสิกตัวนี้เนี่ยเราสังเกตดูที่เรารู้ภาษาอย่างไงบ้างถ้าคิดว่ารู้ง่ายหรือยากกับภาษาเนี่ยไม่ใช่ง่ายเลยนะครับของธรรมายอย่างนี้นะ คือถ้าเราตรึกเรื่องนี้บ่อยๆมันก็ง่ายคือที่ที่มันยากเพราะธรรมะหมวดนี้นะถ้าเราเอามาปารบบ่อยๆแล้วจะเห็นเป็นเรื่องธรรมดาเพอหูแต่ละคําแต่ละคำหรือก็พิบตาหนึ่งครั้งก็หนึ่งภาษาแล้วนะเพราะนั้นถ้าเราปารบคือไล่ตั้งกับระบบแบบที่พระองค์ว่าเนี่ยนะตาสีจิตเห็นภาษาเวทนาเอาถ้อยคําเหล่านี้นะมาตรึกบ่อยๆบ่อยๆเข้าตรึกให้เป็นเป็นอภิยาสายแล้วก็ มันก็พอรู้ได้นั่นแหละคือคือคือถ้าเรียงตามลำดับว่าถ้ารูปกระทบกับภาษาทะโสตประสาทาสาอ่าจาก็กโคภสาทะถ้ารูปกระทบกับจกักโปภาษาทแล้วเกิดผัสสะจึงเกิดวิญญาณอย่างนี้อย่างอย่างออพอมีเหตุมีผล คือเมื่อมันเกิดภาษาขึ้นแล้วเนี่ยจึงเกิดการเห็นขึ้นคําคำภาษะตรงนี้เนี่ยไอ้กระทบของเราเนี่ยภาษาเราแปลว่ากระทบใช่ไหมหูกับเสียงกระทบกันอันนั้นไม่ไม่ไม่ใช่ตัวภาษาอ น, นั้นกระทบแบบรูปตรงนี้เป็นเรื่องของที่เราเข้า<ม>ใจนะผิดแล้วเพราะว่าการที่เราบอกอะไรอะไรกระทบกันอย่างนี้เนี่ยน ะ, ะมันไม่ใช่อ่ะมันเป็นนามธรรมอ่ะมันถึงมันถึงเข้าใจยากมากเลย พระองค์แสดงมากที่สุดว่านามนธรรมนะจะปรากฏเนี่ยด้วยสามอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งบางคนเนี่ยนะปรากฏชัดที่เวทนาบางคนเนี่ยปรากฏชาติที่วิญญาณบางคนเนี่ยปรากฏชัดที่พัสสกะนะก็คือธรรมชาติที่ตกลงไปในอารมณ์ครั้งแรกอันนั้นแหละเป็นพัสสกแต่ถามว่ารู้พัสสกโดยที่ไม่รู้จักวิญญาณเวทนาได้ไหมไม่ได้ มันต้องรู้ทั้งสามแหละสรุปแล้วรู้หมดเลยอันที่จริงเขาเกิดพร้อมกันนั่นแหละเขาเกิดพร้อมกันเลยเนาะอินยานผัสสเวทนาเนี่ยเกิดพร้อมอท่านอธิบายในลักษณะที่เป็นปัจจัยให้ดูหน่อยครับก็คื อ, อตั้งแต่รูปนะครับตากับสีใช่ไหมเกิดจิตเห็ น, นทีนี้ไอจิตเห็นเนี่ยแสดงในลักษณะเป็นประธานเพราะว่าจิตนี้เป็นมีความเป็นประธานเป็น เป็นกิจของเขาเป็นหน้าที่ของเขาเขามีหน้าที่เป็นประธานของสำปรยุติธรรมเมื่อเขาเป็นประธานปั๊บเนี่ยบางคนเนี่ยชัดในสภาพที่รู้อารมณ์แต่คนที่จะรู้เรื่องเรื่องนี้ดีนะอย่างสมมุติถ้าจะจ ะ, จะใช้ศึกษาเรื่องจิตเห็นนะต้องแทบจะมีตาสีตาสีต า, สตากับสีคนละอย่างนะไ อ, ทอะ้ที่เหลือนั่นแหละจิตเห็นตาสีที่เหลือนั่นแหละจิตเห็นถามว่าจะ ก, กําหนดตรงไหนอ่ะตั้งไว้ตรงไหนอ่ะ เอาสติมาตั้งไว้ตรงลูกตาหรือาสติไปตั้งไว้ที่สีมันไม่ตั้งไว้สักแห่งหรอกแต่ปารบนะเพราะเรื่องเรื่องที่ศึกษาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไปแช่ไว้ที่ใดที่หนึ่งไม่ใช่เรื่องแช่นะแต่เป็นเรื่องของการตื่นตัวตื่นตัวตาสีตาสีหรือหูเสียงก็ได้หูเสียงหูเสียงนะสังเกตสองคำเนี่ยหูเสียงไอ้ที่เหลือแล้วแหละคือโสตวิญ ญ, ญาณโสตสัมผัสแลวก็โสตสัมผัสชา เวทนา